เสมือนมแมลงผู้เชยเกสรดอกไม้พระพุทธภาสิทยะทาติภุมโรปุปพังวั น, นะคันทางหะเฮทยังปาเลติระสะมาดายะเอวังคาเมมุนีเจเรเหมือนอย่างว่าพมรไม่ทำดอกสีและกลิ่นของดอกไม้ให้สีหาชอบชำ้ำเชยแจ่เกสรแล้วบินไปฉันใดมุนีคือผู้รู้ผู้สงบ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 พระผู้เข้าสู่สกุลของชาวบ้านก็ควรทําตนเช่นพมอนนั้นคือไม่ทำศรัทธาและผูกคาของชาวบ้านให้เสื่อมทําอย่างไรเรียกว่าทำศรัทธาให้เสื่อมตอบว่าไม่ต่างตนอยู่ในความบริสุทธิ์เยี่ยงสมณะที่ดีไม่สํารวมกายวาจาใจด้วยดีมีความมากมากในลาภไม่รู้จักประมาณในการรับปัจจัยและในการบริโภคปัจจัยเป็นผู้ขนองกายวาจาเมื่อชาวบ้านเห็นอาการอย่างนี้ศรัทธาก็ถอย ไม่ถอยเพียงแกในสมณะเช่นนั้นแต่ทําให้เขาลดความมั่นคงในพระรัตนตรัยอีกด้วยพระไม่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์หนึ่งหญิงเสเพลหนึ่งชายไม่มีสัจจะหนึ่งท่านว่าไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้เพราะจะนําความเดือดร้อนมาให้ผู้ประพฤติตรงกันข้ามชื่อว่าธรรมสธาของชาวบ้านให้เจริญส่วนอาการกระทบโภคะทําโภคายเสื่อมนั้นคือการทุศิลของพระโภคะที่ชาวบ้านถวายแก่พระทุศิลย่อมไม่มีผลมาก เหมือนหว่านพืชในนาเลวโพคะย่อมเสื่อมไปเปล่าไม่มีผลเท่าที่ควรส่วนการเข้าสู่สกุลของพระผู้มีสิงชื่อว่าทำโผล่คาของทายกให้เจริญเพราะทานอันเขาวหว่านลงแล้วในท่านผู้มีสิญย่อมมีผลงอกงามเหมือนพืชอันหวานลงแล้วในนาดีพระดีย่อมมืนเบียดเบียนชาวบ้านดังกล่าวมานี้พระศาสดาตรัสทพุทธภาสิคนี้ขณะที่ประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถี ทรงปรารบเศรษฐีผู้ตรณีคนหนึ่งในเมืองราชคลึกซึ่งพระมหาโมคคลานะไปโปรดให้กลับเป็นผู้มีศรัทธามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเศรษฐีชื่อโกศยะผู้มีความตรณีเศรษฐีคนนี้อยู่ที่นิคมสักกะไม่ไกลกรุงราชคลึกนะักเขามีทรัพย์แปดสิบปดแต่ตระณีเลอะเกินไม่เคยให้แม้แต่น้ำมันสักโยต์ดเดียวแก่ใครและไม่ค่อยบริโภคเองทรัพย์ของเขาไม่อำนวยประโยชน์แก่ตนเอง บุตรพัญญาและแจก่เครีครเลยวันหนึ่งเศรษฐีกลับจากเฝ้าพระราชาเห็นคนบ้านนอกคนหนึ่งกำลังกินขนมเบื้องอยู่นึกอยากกินบ้างเมื่อมาถึงบ้านก็ไม่กล้าบอกพัญญาเพราะกลัวว่าเมื่อพัญญาทําขนมเบื้องคนเป็นอันมากในเรือนรู้เข้าก็จะข อ, อกินด้วยจะหมดเปลืองมากจึงอดกลั้นความอยากไว้แต่ความอยากก็ไม่ได้หมดไปเมื่อหลายวันเข้าก็พร้อมลงทุกทีหมดกําลัง เข้าห้องนอนคิดถึงขนมเบื้องแม้ทุกอย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมบอกพัญญาหรือบุตรเพราะกลัวเสียทรัพย์พัญญาเข้าไปถามว่าป่วยเป็นอะไรเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรตราชากริ้วหรือพัญญาถามไม่เขาตอบคนที่บ้านเช่นบุตรคนชายเป็นต้นทำให้ไม่พอใจหรือไม่ท่านอยากอะไรหรืเขาอยากบอกว่าอยากกินขนมเบื้องแต่กลัวเสียทรัพย์จึงทาเฉยเสีย เมื่อพ ญ, ญาออนาฏวอนถามนักเข้าจึงบอกว่าฉันอยากกินขนมเบื้องพญญาของเขาหัวเราะเห็นเป็นขันที่เศรษฐีมีทรัพย์ถึงแปดสิบกดคือแปดร้อยล้านแต่ต้องปวดเพราอยากกินขนมเบื้องซึ่งคนจนๆก็กินได้เท่านั้นเองหรือพญญาถามก็เท่านั้นทําไมคุณไม่บอกฉันเอาเถอะฉันจะทําขนมเบื้องให้พอแจกคนทั้งนิคมเศรษฐีทะลึ่งโรวดขึ้นนั่งด้วยความตกใจและกล่าวได้สาระเรื่องอะไรจะต้องไปเลี้ยงเขา เขาทำงานเพื่อตัวเขาเองก็ต้องกินของตนเองถ้ากระนั้นฉันจะทําให้พอแจกคนในจอกนี้อย่าเลยแม่คุณใครๆรวมทั้งฉันด้วยรู้แล้วว่าเธอรวยมีทรัพมากถ้าอย่างนั้นขอทําให้พอกินกันทั้งเรือนฉันรู้มานานแล้วว่าเธอหนะ่ะอัธยาศัยกว้างกวางนะักเศรษฐีประชดถ้าอย่างนั้นขอทําให้พอแก่ลูกเมียโอ้ยอย่าเชียวพวกลูกๆไม่จําเป็นต้องกินขนมเบื้องหรอกถ้าอย่างนั้นจะทอดให้พอแก่เราสองคน เศรษฐีนึ่งนิ่งไปครู่หนึ่งในที่สุดกล่าวว่าเธอกินขนมเบื้องเป็นด้วยหรือพัญญาโหเราะพรางกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจะทอดให้พอคุณรับประทานคนเดียวเออย่างนั้นสิเศรษฐีว่าแต่เธอจะทอดที่ไหนละ่ะก็ห้องครัวของเรามีทอดในห้องครัวสิคุณก็ไม่ได้ทอดที่นั่นเดี๋ยวคนอื่นรู้เข้าก็จะต้องอยากกินด้วยไม่ดีเอาอย่างนี้ดีกว่าเธอเลือกเข้าวสารหักหักยาข้าสารดีเตา นมเนยสายน้ำผึ้งน้ำอ้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยขึ้นไปบนชั้นที่เจ็ดแล้วเท่าที่นา่ฉันจะนั่งกินคนเดียวพัญญาให้ทาสีถือเอาเครื่องอุปกรณ์ต่างๆในการทําขนมเบื้องขึ้นไปบนชั้นที่ 7. เจ็ดเศรษฐีตามขึ้นไปปิดประตูใส่ลิ่มตั้งแต่ประตูแรกเรื่อยขึ้นไปพัญญาของเขาติดไฟเริ่มทอดขนมเบื้องวันนั้นพระศาสดาท ร, ทรงตรวจ ด, ดูอุปนิสัยของเวนญยสัตเวลาใกล้รุ่น ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสภาปฏิพันธของเศรษฐีและพัญญาแล้วตรัสเรียกพระมหาโมคคลานะมาแต่เช้าแล้วให้พระมหาโมคคลานะไปชักจูงเศรษฐีโกศิยะที่สักรนิคมพระองค์และพระห้าร้อยจะคอยสวยขนมเบื้องอยู่ที่วัดเชตวันพระมหาโมคคลานะไปที่น้ำฤทิตไปยืนอยู่ที่หน้าต่างของเศรษฐีโกศิยะเหลือบมาเห็นก็ตกใจพึมพำว่า ราอุตส่าห์ขึ้นมาทอดขนมถึงชั้นที่เก๋ ก, ก็เพราะกลัวบุคคลประเภทนี้แล้วก็หลีกไม่พ้นจึงพูดออกไปว่าสมณะท่านอยู่ทําไมในอากาศนอกนาต่ า, างแม้จะจงกรมอยู่ในอากาศก็จะไม่ได้อะไรพระเถระจงกรมกลับไปมาอยู่ในอากาศเศรษฐีกล่าวอีกว่าท่านจงกรมจะได้อะไรต่อให้นั่งสมาธิบันลังบนอากาศก็จะไม่ได้อะไรพระเถระได้นั่งสมาธิบรนลังเศรษฐีกล่าวว่า แม้บางหวนวันก็จะไม่ได้อะไรพระเถระบางหวนกวันเสถี๋ยไม่กล้ากล่าวว่าแม้ถ้านในไฟลุกขึ้นก็จะไม่ได้อะไรเพราะกลัวไฟไม่ประสาทคิดว่าสมณะนี้คงจริงไม่ได้คงไม่ไปแน่เราควรให้สักหน่อยหนึ่งดังนี้แล้วกล่าวกับพัญญาว่าจงทอดขนมชิ้นเล็กๆให้เขาสักชิ้นหนึ่งพัญญาหยอดแป้งลงในกระทะเพียงนิดเดียวแต่ขนมกลับกลายเป็นชิ้นใหญ่พองขึ้นเต็มถาน เศรษฐีเห็นแล้วคิดว่าคงจักติดแป้งมากไปจึงตักแป้งด้วยมุมทพีเองทีเดียวขนมกลับใหญ่กว่าชิ้นก่อนเสียอีกเขาเกิดเบื่อนายจึงให้พัญญาหยิบขนมสักชิ้นหนึ่งในกระเช้าให้พระไปเมื่อพัญญาหยิบปรากฏว่าขนมในกระเช้าติดกันหมดแยกไม่ออกนางจึงบอกสามีคราวนี้สองสามีพัญญาก็ช่วยกันดึงขนมจนเงินท่วมตัวก็ไม่ออกความหิวหายไปเขาจึงกล่าวกับพัญญาว่า เขาหมดหิวแล้วมอพยายสมณ่ไปเถิดนางชวยกระเช้าได้นําขนมเข้าถวายพระเถระพระมหาโมคคลานะแสดงธรรมให้ฟังมีพรรณนาถึงคุณพระรันตนไกรและแสดงถึงอานิสงส์แห่งทานเป็นต้นให้แจ่มแจ้งเหมือนหมุ่คนมองเห็นดวงจันทร์ในท้องฟ้าเศรษฐีและพัญญาเลื่อมใสนิมนต์ท่านฉันอาหารบนบันลังของตนแต่พระเถระกล่าวว่าบัดนี้พระศาสดาและภิกษุจำนวนห้าร้อยคอยเสวยอยู่ที่เชตวรราราม เมืองสาวัตถีหากท่านเศรษฐีต้องการเฝ้าพระศาสดาก็ให้พัญญาถือขนมไปเถิดจากนำไปเฝ้าพระศาสดาท่านผู้เจริญระยะทางไกลอย่างนี้จะไปให้ทันเวลาได้อย่างไรก่อนั้นเป็นหน้าที่ของอาตมาภาพพระเถระตอบแล้วท่านก็นำเศรษฐีและพัญญาวัดเดลิดของตนเสมือนหนึ่งว่าเศรษฐีลงจากประสาทแล้วถึงวัดเชตวันขนมเพียงกระเช้าเดียวเลี้ยงพระถึงห้ารอเศษก็ไม่หมด ให้คนวัดกินอีกก็ไม่หมดกษัตริย์รับสั่งให้ทิ้งขนมที่เหลือที่ใกล้ซุ้มประตูวัดเชทวันนั่นเองสถานที่ตรงนั้นเรียกกันต่อมาว่าเนื้มขนมเบื้องกษัตริย์ตรัสอนุโมทนาให้เศรษฐีและปัญญาดำรงอยู่ในโสดาปติผลแล้วหลังจากนั้นเศรษฐีได้สละทรัพย์เป็นอันมากออกจนแน่แจกทานบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ทาทรัพย์อันไม่มีสาระให้มีสาระเย็นวันนั้น ภิกษุทั้งหลายสนทนากันพน า, นาถึงอนุภาพของพระมหาโมคคลานะพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรสัสสอนเสริญพระเถระว่าธรรมดาภิกษุผู้ฝึกฝนอบรมตระกูลควรเป็นเช่นพระมหาโมคลานะไม่กระทบศรัทธาและโภคะของสกุลให้สกุลรู้คุณพระรัตนตรัยและอานิสงฆ์แห่งฐานเป็นต้นเหมือนพรมรไม่ให้ดอกไม้ชอบช้าดื่มแต่น้ําหวานดังนี้แล้วตรัสว่าจะถ้าปิ ธรรมโรปุพพังเป็นอาธิมีนัยยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้น